รัไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าชาลิยะสูตรสูตรว่าด้วยข้อความที่ตรัสโต้ตอบชาลิยะปริพาชกพระผู้มีพระภาคประทับนักโคสิตารามรุงโกสัมพีนักบวชสองคนคือมัณดิยะปริพาชกกับชาลิยะผู้เป็นศิษย์ของอาจารย์ผู้ใช้บาดไม้คือชาลิยะทารุปติกะได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลถามปัญหาว่าชีวะคือสภาพที่เป็นอยู่หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพที่กรองสรีระในบางลัทธิเรียกจิตบ้างอัตตาบ้างชีวะกับสรีระคือร่างกายเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบบรรยายคุณลักษณะของผู้ออกบวชตั้งอยู่ในศีล บำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานตั้งแต่ที่หนึ่งถึงสและได้วิชาแปดตามที่กล่าวไว้แล้วในสามัญญพลสูตรแล้วตรัสว่าภิกษุผู้รู้เห็นอย่างนี้ไม่ควรกล่าวว่าชีวะกับสริระเป็นอันเดียวกันหรือกล่าวว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอันพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้จึงไม่ตรัสว่า ชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันมีคำอธิบายว่าการยืนยันว่าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันย่อมตกไปในส่วนสุดข้างสัตตตถิฐิความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเที่ยงและการยืนยันว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอันย่อมตกไปในฝ่ายที่ว่าชีวะเที่ยงสรีระไม่เที่ยง ทั้งสองข้อนี้รวมอยู่ในทิฏฐิหกสองเมื่อจบพระธรรมเทศนานักบวชสองคนชื่นชมพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาค